มีคาุบนาดุดคนทั้งหลายอันเห็นคนที่ต้องตัดหัตถบาทาปริเทวนาการร้องไห้ร้องครางไปได้ยินกับหูจึงรู้ว่าคนที่ต้องตัดหัตถบาตนี้เป็นทุกข์หรือที่จะเวทนาขอถวายพระพรสมเด็จพระเจ้ามิลินปินประชากรได้ทรงฟังก็ทรงพระโสมนัสตรัสว่ากัลโลสิพระผู้เป็นเจ้านี้